พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมในวันที่23มกราคม2559มีชื่อเรื่องว่าส่งบุญให้วงศาคาะาติา รักษาชินหาน น, นื้อเมืนะคณะสะทัทหายัดโยมเพราะวันนี้เป็นวันพระใหญ่เดือนสองเพ่ น, น, นเนื้อเมื่อนเป็นวันอุโบสถของพระด้วยเป็นวันพระใหญ่พวกเราพุทธศาสนิกชนเมื่อถึงวันพระควรจะลำลึกถึงเพราะว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธทเจ้าจะไม่มีวันลำลึกถึงเลยม้ก็ไม่น่าจะถูกต้อง ศาสนาอื่นหเห็นไหมวันเาขาละหมาดทุกวันละห้าครั้งก็ยังมีอย่างคริสตศาสนาเขาก็ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พระศาสนานี่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พุทธบริษัทของพระองค์ม า, าทุกแปดคำ่คำสิบห้าค่ำเจวันมีครั้งหนึ่งพวกเรายัางละเลยอยู่อย่างไม่ละเลึกถึงเลยเพวกเราคงจะเป็น พุทธศาสนานี้ก็ชนแต่ทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละเริ่มต่อเนื่อไปตั้งใจสมาทานศีลใครจะรักษาศีลอุโบสถผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุเคยสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็ควรจะทําให้สม่าเสมอควรจะมาควรจะสมาทานศีลอุโบสถ บวชเป็นชีพราหมณ์วัน8คำ่15คำ15บาค่ำสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็สมาทานศีลห้านะแต่ว่าเมื่อสมาทานไปแล้วก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเป็นศีลห้าตลอดลอดฝั่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งพอเราปล่อยกายวายจาของเราอิสระมานมนานพวกเรา ควรจะให้มีกฎระเบียบให้มีศีลให้มีวินัยกับตัวเองบ้างเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งคือไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่ฆ่าไม่คิดฆ่าคนอื่นไม่คิดขโมยคนอื่นไม่คิดลาลาประร่วงในสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหกคนอื่นไม่ดื่มสุราให้ขาดสติมึนเมาในีห้าข้อนะ แต่สรุปแล้วคือ5้าข้อนะั้นมันไม่ใช่อื่นไกลมันเขาเราในเมื่อเราไม่ไม่คิดค่าคนอื่นทุกคนก็ไม่คิดค่าถ้าเราคิดค่าคนอื่นคนอื่นมาคิดค่าเราถ้าเราคิดขโมยคนอื่นคนอื่นคิดขโมยของเราถ้าเราก็คิดประพฤติผิด ดาราประลวงในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาก็คิดดาราประลวงในสามีภรรยาลูกหลานของเราเราคิดโกหกคนอื่นเขาเขาก็คิดโกหกเราหลอกลวงเราเขียนเช็คเด้งให้เราต้มตุนหลอกลวงเรามีมากมายการโกหกทุกวันนี้แล้วดื่มธุราขาดสติในเมื่อเราขาดสติ ขับรถไปชนเขาเมาแล้วกด่าเขาคนอื่นเขาเาเขาเมาแล้วก็มาเฉียวชนเรามาด่าเราเพราะเขาขาดสติเป็นยังไงสรุปแล้วคือคือเขาเราเพราะนั้นให้รักษาเราการประกอบคุณงามความดีให้ตั้งต้นตั้งแต่เราอย่าไปคิดให้เขาทำนะ อย่างหลวงพ่อที่สอนพวกศรัท ธ, ธาญาติโยมบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อมีศีลไหมหลวงพ่อ2องยยีนะรักษาหมาไม่เคยขาดเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงกล้าบอกแนะนําจังสอนศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้เพราะตัวเองทํามาแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์จิตใจได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่คิดเปลียดเปลี่ยนใครแต่คนอื่นเขาจะมาเปรียดเปลี่ยนเราอันนั้นเราก็ห้ามไม่ได้แต่ทิ้งยังไง ข้าพเจ้าจะไม่ทำเมื่อขข้าพเจ้ารู้แล้วรู้แล้วว่ า, าการกระทำสิ่งนั้นที่มันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะขณาจารย ญ, ญาติโยมทุกคนนะ น, นี้คือสินห้านะนะโมตัส<า>สะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทาย นะสนีสมชายของหลวงพ่อมันร้องอยู่ข้างในวัดประกาศว่าหนาวคงจะมาอีกระมังหลวงพ่อมั่อานะเตรียมผ้าห่มไวน้นะถ้าสมชายร้องขึ้นมาไม่ร้อนก็หนาวนะไม่ฝนตกก็แดดออกแล้ววันนี้เป็นวัน ขึ้น15าคำ่ำเดือนสองเพนตตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วันนี้จะเป็นต้นไปอีกหนึ่งเดือนนะกนัชธาญาติโยมลูกหลานจะเป็นวันทาบุญหลมลึกถึงผู้มีอุปกรณคุณอย่างลุงพ่อได้พูดได้กล่าวสองสาครั้งมาแล้วแต่ลุงพ่อก็จะพยายามบอกกล่าวอาจจะเป็นทุกวันพระเ่ยต้ำเยือนย้ำเตือนพวกลูกหลาน ผู้ที่จะมาทําบุญถวายอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคุณของพวกเราเพราะพวกเราก็เป็นผู้เกิดมาทั้งทีก็จะต้องมีปู่ย่า ต, ตายายวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายอย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยก็มีพ่อแม่ปู่ย่า ต, ตายายญาติสนิทมิตรสหายเหมือนกัน หลวงพ่อได้ประมวลมาแล้วก็ทําบุญอุทิศสวนกุศลนิ ม, มนต์พระสงฆ์มาแล้วก็อุทิศสวนกุศลเป็นจิตจะลักษณะแต่ว่าการทําคุณงามความดีของหลวงพ่อหลวงพ่อทําตลอดนึกขึ้นมาได้ระลึกได้นั่นก็ประกอบคุณงามความดีมาโดยสม่าเสมอแต่เนี่ยทำขึ้นมาก็เพื่อศรัทธาญาติโยม ญาติโกโหติกาพี่น้องทั้งหลายจะได้ร่วมการคิดไม่ใช่ว่าปีไหนกับปีเก่าปล่อยป่าล่าเลยไม่ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปกรณคุณชเชลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงมีกําหนดวันอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดอย่างซาลาหลังนี่แหละพวกเรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเงินทุนมาจากใครมันไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งมีหลายคน ที่คิดขึ้นมาแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายด้วยเงินที่ได้มาบริจาคคงจะเป็นเงินของปู่ย่าตายายส่วนหนึ่งที่มาร่วมสมทบสร้างอาคารหลังนี้เพราะนั้นพวกเราได้รับความสะดวกสบายได้รับความสุขในมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละเป็นผลงานของใครเป็นผลงานของ ผูมีอุปกราคุณที่ท่านล่วงรับรับคันคันไปก่อนร่องรอยตามอายุสังขารเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากพวกเราจะลำลึกถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถ้าดวงวิญญาณท่านผู้ใดตกทุกข์ขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ข อ, ขอให้มีความสุขยิง่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือ เป็นแนวความคิดของหลวงพ่อหรือว่าแนวความคิดไม่ใช่หลวงพ่อมัวเมียคิดเองไม่ใช่อันนี้เป็นแนวทิศของพระพุทธศาสน า, าการทำบุญอุทิศสวนกุศลเนี่ยเป็นมาแต่งนมนานเป็นมาแต่ในครั้งพุทธกาลเทว่าเป็นมาในครั้งพระพุทธเจ้าตัดรู้ใหม่ก็ไม่น่าจะผิดที่พระพุทธเจ้าไปรับวัดป่าเวลุวัน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพ์พิสารเป็นผู้ถวายวัดป่าเวรุวันคือวัดป่าไม้ไผ่ปาา่าไผ่จากนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารอุดถวายเหมือนกับคงสมัยก็คงจะเป็นลักษณะสวนลุมพินีหรือสวนหลวงลักษณะอย่างนั้นแหะเป็นสวนสวนกลางพระเจ้าพิมพ์พิสารก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ เข้าไปพักอยู่ที่วัดป่าไม้ไผ่เหมาะสมที่จะเป็นที่เป็นวัดขึ้นมาพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายไว้ในพระพุทธศาสนาในเมื่อถวายเสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าขอถวายที่ดินแปลงนี้คือป่าไม้ไผ่หลุมวัดเวรุวันแห่งนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา จากนั้นพระองค์ก็รับพระพุทธเจ้าก็รับโดยดุษณีภาพาจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เทลงเทน้ําลงแผ่นดินหลั่งน้ําลงแผ่นดินหน่ทักคีโนโทกหยอดน้ําลงแผ่นดินเหมือนกับเราอุทิศส่วนกุศลลักษณะอย่างนั้นน่ะคล้ายว่าเอาน้ําเป็นสกีพยานในการถวายให้เทพเจ้าเราเทวามนุษย์ทั้งหลายให้รับทราบ พาข้าระเจ้าได้ถวายแผ่นดินผืนนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาแอจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้รับพอรับเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารตกกลางคืนมาในคืนวันนั้นพอกลับไปถึงเวียงหวังกลางคืนดึกสงัดพวกญาติเก่าญาติเตโกโหติการนะในอดีตชาติที่ได้ร่วมกันสร้างมายังได้สวยทกอยู่ ได้สวยกรรมเก่าในอดีตอพอมา แ, แสดงตนให้ปรากฏลักษณะเป็นเป็นผีแนะผู้สมบูร์ง่ายๆแขวนหน้าตรงหน้าตางอลงตรงนั่งพอดูชัดๆก็ไม่เห็นแต่พอเผลอๆก็เห็นพระเจ้าพิมพิชานพระเจ้าพิมพิสานนอนบันทมไม่หลับทั้งคืนเลยคืนนะนะั้นพอถึงสว่างก็มากราบพระพุทธเจ้า พ, พระองค์บอกว่าเนี่ยเป็นญาติของพระองค์ในอดีตเออันนี้มาในพระไตรปิฎกนะเป็นญาติของพระองค์ในอดีตพระพระองค์ได้ทำํำกรรมทําบุญกับเขาวไว้เมื่อพระองค์ทําบุญในวันนี้เมื่อวานนี้พระองค์ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้เขาเลยเอพอทําเสร็จแล้วก่อนน่ยเหมือนกับไปทาํามาค้าขายได้กําไรได้เงินมาแล้วก็อ เ, เก็บเช็คใบนั้น ไว้เลยแล้วก็เก็บเงินธนาบัตรไว้เลยไม่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ผู้ใดใครผู้หนึ่งพระองค์ได้ส่วนพระองค์เมื่อวานในพระองค์ทำอย่างนั้นน่ะไม่ได้อุทิศส่วนกุศลต่อเปตรตญาตนี่แหละการทำบุญอุทิศส่วนกุศลมันจึงมีความจําเป็นนะคณาสัตยาศาาโยมถ้าว่าพวกไรทำอย่างพวกเรามาทำวันนี้นะ่ะพอทำบุญล้วไม่ได้คิดถึงใครเลยเราก็ได้ส่วนตัวเราอย่างเดียว ในเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเออพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรอุทิศส่วนกุศลเนอะพวกเราก็น้อมจิตระลึกถึงเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างมาทําบุญในวันนี้ละเออจะเป็นจะตุ ป, ปัจจัยมากน้อยกับเป็นเครื่องบูชาในพระพุทธศาสนาด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ขอขอให้เป็นเออปัจจัยด้วยว่าเป็นเครื่องเครื่องกุหนุน อญาติพี่น้องดวงวิญญาณของข้าพเจ้าที่ตกทุกข์แต่ยาก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แลก็ข อ, ขอให้มีความสุขยิ่งย่งขึ้นไปทุกๆท่านที่มีส่วนที่ที่จะมีส่วนที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้อันนี้คือในหลักของพุทธศาสนาแต่นิพระเจ้าพิมพิสารท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นในวันนั้นพอท่านได้ทาบุญเสร็จทาจ่านก็หด จบเพียงแค่นั้นเพราะฉะนั้นพวกญาติทั้งหลายของท่านไม่ได้รับเอ่อนั่นแหละมันเป็นมาในครั้งพุทธกาลนะขัศรัทธาญาติโยมโลูกหลานไอ้พวกนั้นหลวงพ่อจึงคิดว่าเอ่อปีหนึ่งพวกเราคงน่าจะมีการทําบุญอุทิศแต่พวกเราทําบุญอุทิศอยู่แล้วละ่ะแต่ในทําเป็นกิต จ, จะลักษณะเอ่อขึ้นมาอีกสักวันหนึ่งให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นวันเดือนสามเพน่ะ ในวันที่พวกเราจะทําหลวงพ่อกําหนดวันเดือนเดือนสามเป็นเป็นวันที่พวกเราจะหยุดการหยุดงานอยู่แล้วก็มาวัดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกเรามาพร้อมๆกันกับเป็นการาทําบุญอุทิศสวนคือสวจะให้จบไปในปีหนึ่ง อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะะฉนั้นขอให้บอกประกาศหรือว่าบอกเก่าวสัตยา ญ, ญาิโยมทุกคนนะผู้ที่มาได้นะทาไมมาไม่ได้ครับ ไม่เป็นไรอา้าวเขาตั้งจังหวัดใจคอใส่จมูกหลวงพ่อหลวงพ่อพูดมากไปได้เอารับพ่อนนะทีนนี้นะ